สังคาทิเศษสิกขาบทที่8ว่าอันหนึ่งภิกษุใดขัดใจมีโทสะไม่แชมชื่นตามกำจัดคือโจทย์ภิกษุด้วยธรรมมีโทษถึงประราชิกอันหามูไมิได้ด้วยหมายแม้ว่าฉไหนเราจะยังเธอให้เคลื่อนจากปรมมาจันนี้ได้รั้นสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาตามก็ดี ไม่ถือเอาตามก็ตามคือเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามแต่อดีตกรณ์นั้นเป็นเรื่องหามูลมิได้และภิกษุยันยิงโทสะเป็นสังฆาธิเศษข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วในหุนหลังว่าการทำคืนอาบัติพระศาสดาตรัสสัง่งให้เป็นหน้าที่ของภิกษุผู้ต้องจะทำเองก่อนถ้าไม่ทำ จึงเป็นหน้าที่ของภิกษุอื่นจะพึงเตือนเฉพาะตนด้วยเห็นแก่เธอถ้ายัางดื้อด้านแม้จะพึงโจทย์ขึ้นในถ้ำกลางสงด้วยเห็นแก่พระาศาสนาภิกษุในสิกขาบทนี้ถือเอาประโยชน์จากพระพุทธานุ ญ, ญาตข้อนั้นแลโจทย์ภิกษุอันตนเกลียดชังอธิกรในที่นี้ได้แก่อนุวาธาธิกร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 แต่กิริยาของเธอแสดงพิรุธให้เกิดรังเกียจก็จัดว่ามีมูลจำโจทย์นั้นพึงกำหนดรู้ด้วยเล่าถึงเรื่องที่ทำก็ดีด้วยระบุอาบัตก็ดีด้วยการห้ามสังวาสก็ดีด้วยห้ามสามีจิกกรรมก็ดีแต่ชัดพอจะให้เข้าใจว่าต้องอาบัตปา ร, ราชิกในคำพีวิพัง กล่าวการโจทย์ทางวาจาต่อหน้าผู้ต้องโจทย์ตามธรรมเนียมที่ใช้กันอยู่ในเวลานั้นพระอัฏถกถาจารย์ถือเอาในย่านนี้กระมังจึงพิจารณาว่าโจทย์ลับหลังอาบัตยังไม่ถึงที่สุดข้าพเจ้าเข้าใจว่าโจทย์ด้วยวาจาก็ดีโจทย์ด้วยการเช่นเขียนหนังสือยื่นก็ดีจัดว่าเป็นอันโจทย์เหมือนกันและการโจทย์นั้น ยอมถึงที่สุดขณะเมื่อกล่าวหรือยื่นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่เช่นนางเมติยาภิกษุณีทูลโจทย์ท่านพระทัพพามัลระบุตรแด่พระศาสดาในนิทานคือต้นเรื่องแห่งสิกขาบทนี่เองเหตุฉไหนจึงเข้าใจอย่างนี้เพราะโจทย์ด้วยกายก็สมปรารถนาได้หรือในบัดนี้ยิ่งเป็นหลักฐานมากกว่าพูดด้วยปาก และพอโจ์ด้วยหมายจะให้เคลื่อนจากโพรมจรรันต้องโจ์ต่อเจ้านาทีพูดแก่เจ้าตัวเองก็ตามบอกเล่าแก่ภิกษุอื่นเพื่อจะยังความให้กระชอนก็ตามอย่างนี้แลเรียกว่าโจทลับหลังอย่างไม่ถึงที่สุดข้อที่จำเลยคือผู้ต้องโจ์จะต้องรู้ความนั้นจะพึงต้องการในเวลาวินิจฉัยอธิกรณ เป็นองค์แห่งส ม, มุขาวินัยต่างหากอาธิการไม่มีมูลภิกษุโจทย์เองก็ดีสั่งให้โจทย์ก็ดีซึ่งภิกษุด้วยธรรมมีโทษถึงประราชิกต้องสังฆาทิเศษภิกษุผู้ว่าต่างโจทย์ตามประสงค์ของผู้สั่งก็ต้องสังฆาทิเศษด้วยอาธิการมีมูลอันเพลา โจท์ทําให้มั่นเข้าเช่นเป็นแต่เพียงได้รับบอกเล่าแต่โจทย์ว่าได้เห็นเองเป็นสังขารที่เศษเหมือนกันอธิกรมีมูลอันมั่นโจทย์ทําให้เพลาลงเป็นอาบัตอะไรเล่าในคำภีวิพังท่านว่าเป็นสังขารที่เศษเหมือนกันข้าพเจ้าเข้าใจว่ามีไม่ได้ เพราะภิกษุผู้โจ์สิหมายจะให้จำเลยชิบหายเหตนะุชะไหนจะทำคำโจท์ของตนให้เพลาลงอธิกรณ์มีมูลเช่นได้เห็นจริงๆแต่คลับคล้ายคลับคลาสันนิฐานลงไม่ถนัดโจท์ทำให้มั่นเข้าว่าได้เห็นโดยถนัดเช่นนี้ท่านว่าเป็นสังคาที่เศษเหมือนกันในคำพีวิพังกล่าวว่า จำเลยเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือต้องประราชิกแล้วแต่โจทย์สำคัญว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และโจทย์ด้วยอธิกรณ์ที่ตนเข้าใจว่าไม่มีมูลต้องสังคาทิเศษเหมือนกันท่านวินิจฉัยชอบความปฏิญาณว่าเป็นภิกษุแลควรถือเป็นประมาณอันหนึ่งเป็นธรรมเนียมของภิกษุ ผู้จะโจทย์ภิกษุอื่นต่อหน้าต้องขอโอกาสต่อภิกษุนั้นก่อนไม่ทาอย่างนั้นต้องทุกกฎท่านจึงยกอาบาัตินี้ขึ้นวินิจฉัยด้วยในวิพังธรรมเนียมนี้ควรใช้แม้เมื่อโจทย์ในที่รับหลังควรบอกแก่ผู้ที่ตนจะโจทย์ให้รู้ตัวแม้ทนายความในทุกวันนี้เขาทำอย่างนี้ก็มี จำเลยเป็นผู้บริสุทธ์ก็ตามไม่เป็นผู้บริสุทธ์ก็ตามเข้าใจว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์โจ์ตรงตามอาการได้เห็นหรือได้ฟังหรือรังเกียจสงสัยแม้หากอธิกรณ์นั้นไม่เป็นจริงเช่นได้รับแจ้งความเท็จไม่ต้องอาบัตในสิกขาบทนี้ท่านหาได้กล่าวอาบัตเป็นอนุโลมไว้ไม่ ตามอนุโลมโจทย์ด้วยอาบัตสังคาทิเศษน่าจะเป็นทุนละใจแต่มีสิกขาบทไว้แผนกหนึ่งวางโทษเพียงปาจิตตีเท่านั้นข้อนี้เป็นเหตุอย่างสันนิษฐานว่าอาบัตอนุโลมตั้งขึ้นทีหลัง